วันนี้ก็คงเป็นวันเริ่มสตาร์ทเนี่ยเริ่มต้นจริงๆนะในการเดินเดินทุ ด, ดงของพวกเรานะทั้งหมูพระแล้วก็แม่ชีญาติโยมผมผมเวลาเดินทุ ด, ดงนะผมว่าหลักการมันไม่ได้มันง่ายๆเนาะคือเราเดินทุ ด, ดงเพื่อ ก็ฝึกฝนตนเองนะเรามีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตนเองนะให้มันเรียกว่าสิ่งที่มันเป็นความขี้เกียจหรือว่าความอยากนะกิเลสต่างๆที่มันแสดงนะเราก็ให้เห็นมันนะแล้วก็พอเรารู้ทันมันเนาะเราก็ดูมันนะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเนี่ย มันก็จะค่อยๆค่อยๆลดไปหรือว่าค่อยๆหายไปของมันเองเนี่ยคือเรามาเพื่อฝึกฝนตนจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เนาะบางทีมันก็อันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะเรามาทุ่ดงเพื่อเพื่อขัดเก่าตัวของเราเองนะให้จิตใจสะอาดขึ้นจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นนะให้เห็นว่าใจ กับกิเลสเนาะมันเป็นคนละอันกันนะเวลาเราดูดีๆนะเจะเห็นใจที่มีสติเป็นผู้ดูนะมันก็ตัวหนึ่งนะกิเลสที่มันเกิดขึ้นความอยากที่มันเกิดขึ้นนะมันก็ตัวหนึ่งนะมันก็ตัวกิเลสก็ดีตัวความอยากก็ดีนะมันก็จะเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยนะเวลาหิวหิวนะ นะอาจจะเกิดความโลภอาจจะเกิดนะความโกรธก็มีนะบางทีนะนะหรือเวลาเราเดินไปนะอาจจะเกิดความฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านว่าเมื่อไหร่จะถึงนะหรือทาไมเร า, เราเดินมาทําไมนอ่นะมันก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิด ค, ความสงสัยนะมาทำอะไรอยู่แบบนี้นนะเวลาเราเหนื่อยเวลาเราหิว หรือเวลาเราหนาวหนาวอะไนะั้มันก็จะเกิดหลายๆอารมณ์นะคือผมว่าการมาทุ ด, ดงดอะเราออกมาจากเราออกมาจากที่อยู่หรือว่าขอบเขตที่เราคิดุ้นเคยเนาะอย่างพวกเราหลายคนอยู่ที่วัดนะบางทีเราอยู่ที่วัดบางวัน เราไม่ได้บินทบาตแต่เราออกมาฉันเช้าที่สารามมันก็ยังมีอาหารให้เราฉันให้เรารับประทานเนาะหรือบางวันนะเราก็อยู่ที่วัดเชยมันก็ปลอดภัยดีมีกุฏิอยูนะ่มีของใช้ต่างๆไม่ขาดไม่เหลือนะแต่เราออกมาจากที่ที่เราคุ้นเคยนะหรือที่ที่เราเรียกว่า สามารถหาอะไรมาทดแทนได้แบบไม่ยากนักเนี่ยการมาทดลองเนี่ยคือออกมาจากที่ที่คุ้นเคยมาเจอที่ที่เราไม่คุ้นเค ย, เยมาเจอกับสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้ไอโฟนเนี้ยมันจะเป็นตัวขัดเกล็กิเล็ของเราได้ได้ดีมากๆเพราะว่าอย่างตอนเช้าจะบินธบัต จะได้หรือไม่ได้นะได้มากหรือได้น้อยเราก็ไม่รู้นะจะพักที่ตรงไหนนะห้องน้ำหรือว่าสถานที่จะเป็นอย่างไรเนาะเราก็ไม่รู้กลางวันจะเจอภูเขากี่ลูกแดดจะร้อนมากน้อยเท่าไหร่หรือกลางคืนจะหนาวมากหรือหนาวน้อยเท่าไรนะ เราก็ไม่รู้จะเจอสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้ไอโฟนนี้นะผมว่าอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยนะมองในแง่หนึ่งนะถ้าเราขาดสติมันก็จะเกิดความกงังวลเกิดความกลัวอย่างมากแต่ถ้าเราตั้งสติได้นะมันจะไปทำให้เราตื่นตัวฮเวลาเรา อยู่ในสถานการณ์ที่มันใหม่ๆนะมันไม่สามารถคาดการอะไรได้เนะ่ะสติเราจะตั้งตัวได้ดีขึ้นนะอ่านะมันจะเกิดการตื่นตัวเกิดการระมัดระวังเกิดความที่เรียกว่าไม่ประมาทเนาะเราจะเดินไปในป่านะเราก็จะได้ไม่ประมาทเราต้องระวังสัตว์นะที่อันตรายอะไรเงี้ยเนานะ เรอยู่ในที่มืดเราก็ไม่ประมาทเราก็ต้องระวังในการเดินนะเพราะมันเป็นที่ทางที่เราไม่คุ้นเคย <c oughs> อะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> การที่เราคาดการสิ่งต่างๆไม่ได้แหะมันทําให้สติของเรามันตื่นตัวเกิดความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากหรือในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการได้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรเนี่ย มันช่วยให้เราถ้าใจเรามีสติดีๆนะจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันครับนะไม่ต้องไปสนใจว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนนะทางจะไกลเท่าใดข้างหน้าจะภูเขาจะสูงหรือว่าทางจะานะราะเราเพียงแค่กำหนดสติในการเดินทีละเก้าก็พอครับนะเ อ, า, อาง่ายๆว่าค่ำไหนนอนนั่นเนาะไม่ต้องมีคิดมากนะ หรือจะนอนที่ไหนก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเอาเน่เราไม่ต้องไปจัดการภายนอกมากนะแต่เราจะเน้นจัดการอารมณ์ภายในใจของเราเองเวลามันเกิดความเกิดอารมณ์ใดขึ้นในจิตใจเนี่ยพอเรารู้ทั น, นการรู้ทันนะเป็นการจัดการอารมณ์ให้กลับมาสู่ความเป็นปกติครับเราจะทำอย่างไรนะให้เนี่ย จัดการอารมณ์ให้กลับมาสู่ความเป็นปกติให้ได้ในการที่เราเจอกับสภาพแวดล้อมที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยครับนะมันเป็นสิ่งที่ที่ผมว่ามันสนุกน ะ, นะเวลาเดินทางทุดดงเนะี่ยะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะหิวมันอาจจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผมว่าถ้าดูดีๆเนะี่ยมันสนุกนะสนุกในการเห็นร่างกายที่เขาที่เขาปรับตัว สนุกในการเห็นจิตใจที่มันที่มันมีตะกอนที่มันโผล่ขึ้นมาครับนะตะกอนที่มันโผล่ขึ้นมานะความอยากก็ดีกิเลสก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีความกลัวก็ดีต่างๆมันโผล่ขึ้นมานะถ้าเราดูดีๆนะมันสนุกนะสนุกเห็นนสนุกเห็นเห็นตัวเองชัดขึ้นนะอันเนี้แหละมัน ผมว่าพอเราออกมาจากสิ่งที่เราคุ้นเคยนะมันมันทําให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นนไม่เห็นตัวเองชัดขึ้นนะเราก็จะเข้าใจกระบวนการปรุงแต่งของจิตมันมากขึ้นว่าบางทีไอ้ความกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันกลัวเนี่ยมันกลัวตั้งแต่ยังไม่เจอนะมันกลัวเพราะจิตมันปรุงแต่งนี่นี หรือบางทีมันอยากเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ความอยากเนี่ยมันเป็นความจําเป็นหรือเปล่าเนี่ยบางทีมันอยากนะมันแต่มันไม่ได้อดนะบางทีเรามีข้าวกินนะเรามีอาหารฉันอยู่แต่บางทีมันก็อยากของที่เราชอบเนะี่ยอาหารที่ชอบน้ําหวานที่ชอบนะ่ ที่ที่มันกระดวกสบายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ้อบางทีร่างกายมันไม่ได้อดนะแต่จิตใจมันอยากก็มีมอะไรแบบนั้นนะเราก็จะแยกได้ระหว่างความจําเป็นนะกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นแต่มันเป็นความความอยากของจิตใจหรือวความคุ้นเคยที่มันติดติดใจของเราม า, านนเนี่ยมันจะเห็นชัดเวลาเราออกมาจากที่ที่เราคุ้นเคยนะผมว่าการทุ่ดดองเนี่ยมัน เราไม่สามารถคาดการณ์อะไรร่วงหน้าได้นแต่ถ้าวางใจดีๆนะมาสนุกเพราะคนส่วนใหญ่ติดเนะี่ยเมื่อทีหลายคนดูดูมั่นใจในตนเองสูงนะดูมีความมั่นใจแต่จริงความมั่นใจนะั้นมันเกิดจากการที่เขาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะหรือว่าเกิดจากการที่เขาสามารถควบคุม เหตุปัจจัยต่างๆได้มันก็เลยเกิดความมั่นใจเกิดความสบายใจนะแต่จริงผมว่าถ้ามั่นใจจริงๆนะบางทีเนะี่ยมันกินการมั่นใจจริงๆพผมว่ามันเป็นการแค่เตรียมใจครับนะภายนอกเนี่ยไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะเอาเท่าที่จําเป็นนะแล้วก็มาเจอกับสถานการณ์จริงๆเลยแล้วก็เจอกับสิ่งที่คาดการไม่ได้เนะี่ย เจอกับเหตุปัจจัยที่เราไม่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรนี่แหละล้วก็เอาใจของเราที่มั่นใจน่แหละมารับมือกับมันนะคือเป็นการเน้นจัดการภายนอกให้ปรับให้เข้ากับ เ, เน้นไปการจัดการภายในนะให้เข้ากับสถานการณ์ภายนอกไม่ใช่ไปการจัดการภายนอกให้เป็นอย่างที่เราคาดการได้หรือเราคุ้นเคยนะเพื่อเราจะได้สบายใจบางทีทางโลกอะ่ะ การสร้างความมั่นใจคือต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลนะยเกิดความมั่นใจนะแต่ในทางการปฏิบัติธรรมนะผมว่าภายนอกเนี่ยไม่ต้องเน้นจัดการมากแต่เน้นจัดการภายในนะจัดการอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะจัดการสิ่งที่จัดการตัวเราหรือว่าใจเราเนี่ยให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมให้มันได้เนะี่อันเนี้ยสําคัญมากนะ เวลาเราเดินเหนื่อยนะเวลาขึ้นเขาเราจะ จ, จัดการร่างกายแบบไห น, นให้มันปรับตัวในการขึ้นเขาให้ได้เนาะผมว่าเหมือนเราเดินขึ้นเหมือนเราขับรถขึ้นเขาอะ่ะบางทีมันก็ต้องปรับเกียร์เนาะต้องปรับเกียร์ให้มันต่ําลงนะมันถึงจะมีแรงขึ้นเขาอาจจะไม่เร็วเท่าเดิมนะแต่ไปช้าๆอย่างมั่นคงแบบเนี้ยเนาะเวลาเราเดินขึ้นเขาเราก็ปรับตัวใช่ไหม แใจเราก็ปรับด้วยนะไม่ใช่คิดว่าเมื่อไร่มันจะถึงนะก็เดินทีละเก้านะเหมือนรถขึ้นเขาช้าๆนะแต่แน่นอนมันจะมั่นคงแล้วก็ไปขึ้นเขาได้นะเป็นการทั้งปรับตัวปรับใจนะผมว่าก็ก็ลองดูนะเป็นการเรียนรู้ในการปรับตัวปรับใจไปเรื่อยๆนะผมว่าเป็นการขัดเกลาตัวเองอย่างดีมากๆเลยนะในการเดินทุด่งดงนะ อีกอย่างหนึ่งผมว่าเวลาเร า, เราทุดงมันก็ไม่ใช่เกิดแค่เป็นการสัตว์เกาตนเองหรือเกิดประโยชน์กับตนเองเท่านั้นนะผมว่าเป็นการเผยแพร่ศาสนาแบบตั้งแต่โบราณเลยพระพุทธเจ้า ท, ท่านพอออกศรรษาเนาะมีปัญจวัคคีนะมียัติะกุลบุตรแล้วก็สหายที่บรรลุธรรมนะเป็นพระอาหารหันต์นะ พระเจ้าก็บอกเนี่ยบอกพิสุทั้งหลายที่เป็นสาวกในรุ่นแรกๆของท่านนะบอกจาริกะพิทาเวนะจาริ ก, กังหิตายะจาริ ก, กังสุขายะโลกานุ ก, กรรมปายะนะท่านบอกให้พิสุทั้งหลายนะเธอจงเที่ยวจาริกไปนะในชนบทในที่ต่างๆนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนหมู่มากนะ จะบอกให้ไปท่านบอกให้ไปรูปเดียวด้ยวยาทำนะเพราะว่าพี่เสื อ, อ น, นั้นรถเปพระอรหันต์เข้าใจธรรมะที่บอยสุดแล้วนะให้เที่ยวไปคนอาทิ์คนละทางนะไปที่ไหนก็เนี่ยแหละเอาสิ่งที่รู้นะเอาการกระทําที่ที่ที่เป็น ความบริสุดธิ์อยู่แล้วเนี่ยเอาไปเผยแพร่ให้กับเพื่อเป็นประโยชน์แกมหาชนหมู่มากมันเป็นการช่วยนะผมว่าอย่างระษารีบุตรเนาะก่อนที่ท่านจะนับถือพระพุทธเจ้านะท่านเชียงกค้เห็นพระอัศชิเดินบินทบาทด้วยความเรียบร้อยด้วยความสงบ คนที่มีปัญญานะเขากเกิดศรัท ธ, ธาแะ้อเห็นพระอัศชิเดินเรียบร้อยพระสาริบุตรมีปัญญาเห็นเกิดความสนใจว่าอ๋อพิสูน์รูปนี้ทำไมดูเรียบร้อยดูสงบต่างจากบุคคลอื่นๆที่เขาเคยเห็นมาก็เกิดศรัท ธ, ธาเมื่อเกิดศรัท ธ, ธาก็เกิดการสนใจที่อยากจะถามว่าธรรมะที่ท่านรู้คืออะไรเนาะใครคือครูบาอาจารย์ของท่าน พระสาวิตรก็ได้เข้าใจทำจากพระอัสสชิได้มาบวชกับพระพุทธเจ้าต่อนะเป็นอัครส า, าวกองสำคัญผมว่านี่แหละการทุ่งรงของเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นพระอัสสชิแต่การที่เราพยายามเกิดการสํารวมเนาะสํารวมกิริยา อาการทางกายก็ดีอาการทางวาจาก็ดีหรือการสำรวมจิตใจโดยการที่เรารู้ทันสิ่งที่กระทบนะแล้มันเกิดการปรุงแต่งภายในใจก็ดีนะผมว่าการที่เรามีความสำรวมมีความเรียบร้อยเนะี่ยมันก็เป็นการเผยแผ่ศาสนานะโดยที่อาจจะไม่ต้องพูดไม่ต้องเทศก็ได้นะครับผมว่านนะเป็นการช่วยอย่างหนึง่งนะอย่างเช่นเราไปบิณฑบาตในหมู่บ้านที่ ที่เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะไปบินธบาตก็ไม่มีอะไรมากก็เพียงแค่เดินให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ญาติโยมเขาเห็นเขาอาจจะมีเกิดการกระตุ้นศ ร, รัทธาของเขาให้เข้ามาใส่บาตรอะไรแบบนั้นเนาะที่จริงเราก็ไม่ใช่ว่าเน้นเพื่อต้องการอาหารมาประทังชีวิตเท่านั้นนะแต่จริงเป็นการเรียกว่าสร้างศ ร, รัทธาให้กับญาติโยมเนาะ เป็นการโปรดสัตว์ให้เขารู้จักทาทานให้เขามีความสุขที่ได้ถวายอาหารเนี่ยคื อ, อการมีธรบัติที่จริงท่านเรียกว่าการไปโปรดสัตว์เนาะโปรดให้สัตว์ได้มีการจาะฆะมีการสละมีศรัทธาเลื่อมใสในผู้ที่สงบเน่ต่อไปเขาอาจจะเกิดความสนใจก็าอาจจะได้ศึกษาธรรมะจากผู้ที่เนี่ย ที่เขาเกิดศรัทธาตรงนั้นเขาก็จะเกิดปัญญาขึ้นมานี่ยผมว่าสมัยก่อนที่พระท่านพันธีกายทุตุดงนะท่านได้ลุกเสด็จ ต, ตามลายทางนะก็จากนี่แหละจากการเดินที่เรียบร้อยนะจากการฉันที่เรียบร้อยนะเขาก็มาสนใจมาถามธรรมะนะแล้ก็ให้ธรรมะเล็กเลกน้อยน้อยไปนะหลายคนก็เกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจนะ ออกเดินตามก็มีนะออกบวชตามก็มีนะอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านจะดิกไปที่ไหนบางทีก็ได้ลูกษ์ศิษย์ในที่ต่างๆนะออกบวชตามหลายรูปนะเพราะว่าเกิดศรัทธาในปฏิปทาในการที่มีความเรียบร้อยมีความระมัดระวังเนาะแล้วก็ผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือให้เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายก็คือ อยู่ง่ายๆเนอะพักที่ไหนก็ได้ที่มันดูไม่ใช่เป็นที่อพอพเลยนะอย่างเราพักในป่าหรือพักที่ป่าช้านะอยู่ง่ายๆนะฉันก็เหมือนกันนะก็ฉันง่า ย, ายได้อะไรก็ฉันนะฉันแบบง่ายๆไม่ต้องเลือกมากเลยนะผมว่าความที่เราพยายามสำรวมระวังในอินทรีย์ทั้งหลายก็ดี แล้วความเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษเนี่ยแหละนะมันเป็นการทั้งขัดเกลาตัวของเราเองด้วยแล้วก็เป็นการสร้างศรัทธาให้กับให้กับญาติโยมด้วยเนาะผมว่าเนี่ยเราก็ผมว่าหลักการง่ายๆแค่เนี้แหละนะแค่พยายามขัดเกลาตนเองนะให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ให้เรามีความระมัดระวังสํารวมนะ ทางกายวาจาใจของเราให้มากที่สุดนะเพื่อสร้างศรัทธาให้กับญาติโยมนะเป็นการเผยแผ่พระศาสนาในในอีกแง่มุมหนึ่งนะอันนี้ผมว่ามันก็จะเป็นการเรียกว่าทำทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ท่านนะครบถ้วนในการในการใช้ชีวิตเป็นพิสุจริงๆนะพิสุแปลว่าผู้ขอนะนะ พี่สุตแปลว่าผู้ขอไมนะว่าเราจะเป็นพระนะตอนนี้เราจะได้เป็นพระจริงๆเป็นผู้ขอนะหรือแม้แต่แม่ชีญาติโยมที่ตามพระนทตุ ด, ดงเองก็ข้อที่จริงก็อยู่ในฐานะฐนะานะเรียกว่าเป็นผู้ที่จาริกเหมือนกันนะนะเราไม่ใช้ปัจจัยในการซื้อของแล้วนะเราก็รับอาหารรับความเอื้อเฟื้อจาก จักยากโยมนะจากความมนนเคราะห์ขขจากคนข้างทางเนี่ยแล้วก็อยู่ในฐานะผู้ขอนะผมว่ามันเราก็จะได้เห็นเห็นน้ำใจในสองข้างทางก็ดีหรือเห็นความปรุงแต่งในจิตใจของเราเองก็ดีเนะี่ยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์พวกนี้ผมว่ามันมันสนุกนะเวลาเราเดินเทดงนะก็ วันนี้อาจจะเป็นวันเริ่มต้นในการเดินทางนะหลายท่านก็ยังเป็นผู้ใหม่ในการในการบวชก็ดีหรือว่าในการทุดงก็ดีนะก็ก็ให้ดูตัวอย่างเนาะจากจากผู้ที่นะได้บวชก่อนหรือว่าได้เคยจาริกพุดงมาก่อนเนาะนะนะหรือหลายท่านเป็นผู้เก่าแล้วก็ดีก็ ก็พยายามตั้งใจในการฝึกฝนตนให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เหมือนกันเนาะก็แในอย่างหนึ่งเราก็อยู่เป็นหมู่คณะคณะนี้ก็ใหญ่กว่าทุกปีเลยนะก็ให้เกิดให้พยายามมีความสามัคคีกันเนาะสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอบางทีทุดดงบางทีมันหลายคนนะบางทีมันหลายอารมณ์หลายความคิดนะอเราอาจจะคิดต่างกันได้นะ แต่ขอให้พยายามเข้าใจความคิดเห็นที่มันแตกต่างจากของเราด้วยเนาะอย่าเอาความเห็นของเราเป็นเป็นหลักโดยไม่ฟังเสียงคนอื่นนะอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันนะแต่ผมว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นธรรมชาติแต่สิ่งที่เราควรจะเพิ่มคือความเข้าใจ เข้าใจในมุมที่แตกต่างกันนะเข้าใจในความรู้สึกที่แตกต่างกันถ้าเราเข้าใจกันแล้วนะมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจผู้อื่นนะเราก็จะไปมีปัญหากับผู้อื่นรวมทั้งการไม่เข้าใจตัวเราเองว่าเรากําลังติดในความคิดของเราเองยึดมั่นในความคิดของเราเองนะคือติดในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่เนะ่นะอันนี้มันก็เป็นสําคัญนะเวลาเราทุ ด, ดงเป็นหมูนะ่คณะเยอะๆนะ่ะ บางทีอย่างที่ว่าถ้ามันเหนื่อยบางทีความโกรธก็อาจจะมีความท้ออาจจะมีนะความคิดปุงแต่มันก็จะแสดงอาการต่างๆนะเราก็อาจจะไปโทษนั่นโทษนี่นะจนลืมว่าอตอนนี้อารมณ์มันเป็นแบบไหนเนาะเรียกว่าไปติดอารมณ์ก็มีเนาะนะก็ดูดีๆครับนะกผมก็ก็อยากจะฝากไว้เรื่องว่าการทุ่ดดอก็เน้นเพื่อการขัดเก่าตัวของเราเองเนาะแล้วก็เป็นการ เรียกว่าสืบทอดนะสืบทอดจะเรียกว่าเป็นเหมือนประเพณีก็ได้นะของพระพิสุสมัยพุทธกาลเรื่อยมาก็คือการจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่แก่พุทธบริษัทต่างๆนะแก่คนที่สนใจต่างๆให้เขามีสัธาให้เขาได้มีปัญญามากขึ้นนะเป็นการทำทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านแล้วก็ อีกอย่างก็คือเรื่องความความสามคัคคีหรือว่าความเอื้อเฟือเ้อเอื้อกูลกันนะในหมู่คณะเนาะก็เป็นหลักการที่สำคัญในการที่เราได้จะออกเดินทางด้วยกันแนละ้วก็ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสาธุนะ